อันเนี้ยมีไหมมีใครเคยฝันบ้างไหมไม่เคยเลยเหรอพวกนี้ฮะโอ้โนี่นี่ไม่ใช่ฝันเนี่ยนี่เชื่อมั่นเลยเลเ <c oughs> ชื่อมั่นเลยเหรอเชื่อมั่นนี่ไม่ใช่ฝันนะพวกคุณต้องยิ่งกับฝันอีกเชื่อมั่นนี่เชื่อว่าเป็นจริงแน่นอนเลยนะระวังเชื่อมั่นเกินไปนี่หลงได้นะบอกไม่รู้ เอาเชื่อมั่นเกินไปนี่มันหลงได้เพราะว่ามันมันเป็นความคิดของเราอะ่ะเข้าใจไหมว่าบางทีเร า, า จ, จะหลงความคิดเราก็ได้เราปากักปากปากปากไปงี้แต่ถ้าเกิดความเป็นจริงออกมาปรากฏว่าเอามหาเถรสมาคมเอาเรื่องต่อย <c oughs> นะเอาเรื่องต่ออีกแม้ว่าจะหมดคดีนี้ไปแล้วก็ยังเอาเรื่องต่ออีกโอ้โหอาจจะติดคุกติดจะรางเลยใครจะไปรู้ <c oughs> อืม ดูอะไรดูโง่เฮงดูสถานการณ์เป็นนอสตาดามูสเหรอพยากรณคืออย่างนี้อาจารย์จะบอกให้ถ้าเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นมีคุณวิเศษจริง ที่เราสามารถจะมียานอย่างรู้อนาคตได้นะพูดง่ายง่ายว่าความคิดเราทั้งหมดที่เป็นไปในอนาคตเนี่ยเดาทั้งนั้นต้องยอมรับความจริงอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าเดาอ่เพราะฉะนั้นเราอาจจะจริงๆแล้วเราจะต้องพูดเป็นเชิงว่าแนวโน้มก็ต้องใช้ภาษานี้เ่ว่าแนวโน้มเราเชื่อมั่นว่าเข้าใจไ ม, ไมเออถ้าเราบอก แม่แกมั่นใจแบบอย่างเงี้ยอย่างางี้เลยนี่มันมันมันเหมือนอย่างกับว่าอะไรอ่ะเราเปล่ไอ้เชื่อตัวเองมันเชื่ออยู่แล้วไงมันเชื่อตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามันมันเหมือนอย่างกับว่าเรากําลังอวอุตรีมนุษยธรรมอ <laughs> วดอุตรีมนุษยธรรมเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นในเมื่อถ้าเราไม่มียานนะอัตมาเคย ถึงเคยใช้คําพูดว่าพวกพวกหมอดูทั้งหลายเนี่ยในเมื่อเขาไม่มียานเนี่ยแล้วเขาเที่ยวพยากรคนนั้นคนนี้ว่าอ่าอนาคโคคุณจะเป็นอย่างนั้นไปงี้เอามาพูดได้ยังไงอ่ะในเมื่อมียาจริงไหมอ่ะถามแค่เนี้ถ้าไม่มีจริงคุณต้องยอมรับสิงว่าคุณเดาวใช่ไห ม, มเพียงแต่ ว, ว่าเดาแล้วมันฟุกตรงหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมถ้ามันฟุกตรงก็อ้าวก็ถือว่าถูก แต่ความจริงคนนั้นรู้จริงไหมล่ะคนนั้นต้องยอมรับความเปนจริงว่าไม่รู้อะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเป็นคำที่อาจะมาจะใช้ยืนยันหรือว่าคุณรู้จริงไหมอ่าเป็นเพียงการคาดหรือว่าสันนิฐานเขาใช้ว่าสันนิฐานนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะต้องระวังถ้าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นนักบวชนี่ยิ่งต้องระวังมากเลยสันนิฐานนะ คือถ้าเป็นนักบวชนี่ถ้าไม่ระวังนะเผลอพูดอะไรออกไปเนี่ยพลาดพลั้งได้ประชิกได้เลยนะอวดอุตริมนุษธรรมเนี่ยพลาดนิดเสร็จเลยพูดได้อยางงั้นพอพูดได้แต่ต้องมีคำพูดที่รอบครอบแล้วก็รัดกลุ่มอย่างเช่นบางคนมาถามอาตมานเนี่ยท่านท่านจะบวชนานไหม <c oughs> สมมติถ้าอาตมาจะยืนยันว่าอาตมาตั้งใจบวชตลอดชีวิตอะ นะอันน ah> ี้จะพูดบอกตั้งใจบวชตลอดชีวิตแหละตอนเนี้ยแต่ยุตต้องมีคํานี้ลงมาตอนนี้ยตั้งใจบวชตลอดชีวิตจะไม่รู้อนาคตอ่ะมันมันจะเอาอะไรมายืนยันอ่ะก็เราไม่รู้อนาคตเราจริงๆแต่ถ้าถามเราตอนนี้แล้วก็ต้องมีคําพวกนี้ที่มันจะมาทําให้ คำพูดของเราเนี่ยมันชัดเจนเข้าใจไหมอ่าแล้วเราเองเราก็จะได้ไม่คือพูดง่ายถ้าเรามีคำพูดที่ชัดเจนแล้วก็แน่ชัดลงไปอย่างเงี้ยมันทำให้เราเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้มีสติมีสัมชัญญยาทำให้เราเนี่ยไม่เผลอที่จะหลงตัวเราเองไม่อย่างนั้นนะบางคนนะพูดไปบ่อยๆเข้ามันเผลอนะถ้าไม่รอบคอบรัดกลุ่มแล้วพอเขามาถามบ่อยๆ้โอ๊ยผมบ่ตลอดชีวิตแะ คุไม่ต้องมาพูดเลยมากหรอกแน่นอนเนี่ยภาพโศกทุกรูปเนี่ยบวชตลอดชีวิตโธเอ้ยศึกมาเยอะแล้วหลายรูปแล้วแม่มันจริงที่ไหนล่ะ <c oughs> เพราะนั้นอาจามาถึงบอกว่ามันจริงตอนตอนที่พูดเนะี่ยบางทีจริงแต่บางทีข้ามวันไปมันอาจจะไม่จริงแล้วก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> อ๋อต้องวงเล็บเหรอจะวงเล็บว่ายังไงอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องว ง, งเล็บเราก็บอกเขาเลยบอกว่าตอนเนี้ย นะจิตตอนเนี้มั่นคงตั้งใจว่าบวชตลอดชีวิตแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าอย่างนี้เขาก็เข้าใจแล้วนะหรือว่าเขาไม่เข้าใจก็ช่างเขาเถอะแต่เราเองเนี่ยแสดงว่าเรามีสติเรายังไม่หลงเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ประมาทด้วยอืมแต่บางคนเนี่ยแม้เขาไม่มีคําพวกนี้แต่จิตเขาเข้าใจอยู่เขาระวังอยู่ก็ถือว่าเขาไม่ประมาทนะแล้วก็ อัตอมาบอกแล้วว่ามันมันดีตรงที่ว่าเราจะไม่เสี่ยงต่อการโอยอุตรีมุตุธรรมอ้าวต่อบางทีตัวเองผ่างสิ่งนั้นมาแล้วคิดถึงทีไรมันก็สุขดีแต่นั่นแหละถ้าจริงจังเกินไปพอเห็นตัวเองอยู่ในในสภาพปัจจุบันมันก็ทนไม่ได้ก็มีถมไปหน้าตัวอย่างเช่นเคยแข่งกีฬาชนะเลิศมาบงเล็บตอนนี้กาลังซ้อมอยู่เออเขาหมายความว่างไงอะ คิดถึงทีไยมันก็สุขดีนั่นแหละถ้าจริงจังเกินไปพอเห็นตัวเองอยู่ในปัจจุบันมันก็ทนไม่ได้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่สุขภาพมันไม่มันไม่พร้อมพอสมมติไอ้กีเนี่ยที่เขาบอกว่าเคยแข่งกีฬาชนะเลิศมาคือพูดง่ายว่าคนนี้เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ฟิตพร้อมเชื่อมั่นว่าแข่งแล้วชนะแน่ ใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังซ้อมอยู่จริงๆนะอาจจะยังรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์เท่าเท่าปกติก็ได้ก็อาจจะทำให้ไม่มีความสุขก็ได้นะกลัวๆว่าตัวเองจะจะไม่ชนะก็ได้ไม่แนออ่อีกตัวอย่างหนึง่งคิดถึงตอนที่เพื่อนเอาอกเอาใจเราวงเล็บตอนนี้เลิกคบกันแล้ว อันนี้อันนี้ก็คิดถึงอดีตที่มีความสุขแต่ตอนนี้นี่มันมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเลิกคบกันไปแล้วคิดถึงตอนที่ตัวเองมีเงินทองมากๆนะหรือว่าคิดถึงอันนี้อดีตทั้งนั้นแหละคิดถึงสมัยที่กําลังดังคิดถึงสมัยพี่น้องของเรายังดีกันอยู่ไม่ทะเลาะกันวงเล็บตอนนี้อะไรนิดก็แวะก็แวก คืออันนี้โดยสรุปะนะแม้แต่ตัวอย่างที่เขายกมาเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมานาในสิ่งทีไ่ไอตอนแรกเนี่ยเป็นไปได้จริงนะพอเป็นไปได้อยู่แต่อันนี้นี่เริ่มให้เห็นได้ว่าเริ่มเป็นไปไม่ได้แล้วแต่คิดถึงอดีตที่เป็นสุขเพื่อที่จะมาปลอบใจตัวเองทาให้ใจตัวเองรู้สึกว่ามันคลายทุกข์ลงไปได้นะมันมันมันไม่อะไรอะ เพราะว่าถ้ามาคิดถึงปัจจุบันไอ้ที่ไอ้ที่อย่างว่ายัางเขาเลิกเลิกคบกันไปแล้วเนี่ยเขาไม่มาเอ า, เอาอกเอาใจเราแล้วถ้าคิดปัจจุบันเนี่ยมันมันเซ็งใช่ไหมคือคือคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยถ้าคิดในเรื่องปัจจุบันที่ที่เขาเลิกเราไปแล้วมันมันมันจะรู้สึกเศร้าเพราะแทนที่มันเป็นการไม่ไม่กล้ายอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นการหาวิธีที่จะมา คลายใจตัวเองที่ในปัจจุบันนั้นนะ่ะมันทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นเขาเลยคิดถึงอดีตดีกว่านะอดีตที่มันเป็นสุขอย่างเงี้ยว่าเออแต่ก่อนเขาเคยเอาอกใจเราแล้วก็หลอกตัวเองไปให้เพ้อฝันไปให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขขึ้นมานะแต่ว่าแปลว่าเป็นไปไม่ได้เงี้ยข้อสองพวกที่อาจเป็นไปได้ พวกนี้หมายถึงพวกที่ไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยให้ครบพร้อมจึงไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ก็ออกจากเป็นพวกที่น่าสงสารเพราะไปทำผิดเป้าเพราะไปทำผิดเป้าหรืออีกพวกก็ไม่ทำอะไรเลยแต่ก็ฝันหวานอยู่คนเดียวตัวอย่างเช่นชอบคิดฝันว่าตัวเองเป็นนักวิ่งชื่อดังบงเล็บแต่ขาเป๋ โอ้โห oh, อันนี้หนักกว่าตัวอย่างตะกี้อีกเนาะอันนี้เนี่ยที่ตะกี้อาจจะมาบอกว่าไอ้ประเภทเป็นถ้าเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีทางเลยอะนะหรือตัวอย่างมีคนมาเอาอกเอาใจตัววงเล็บแต่ตัวเองไม่เคยให้ใครพึ่งพิงนะหรือตัวอย่างมีคนมารักมาชอบตัววงเล็บตัวเองไม่เคยมีน้ำใจให้ใคร หรือว่าได้บรรลุธรรมวงเล็บแต่เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวเอออันนี้ยังไงอ่ะปกติคนบรรลุธรรมนี่ไม่ยอมหรอกนะที่จะเก็บตัวเองอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหมันอยากจะประกาศให้โลกรู้เลยละ่ะไม่ไม่ไม่เก็บไว้ละมันรู้คนเดียวมันจะมีความสุขอะไรใช่ไหมแอบบรรลุอะ่ะ <laughs> เออมีแอบบรรลุด้วยอ <laughs> หรือได้ธรรมะชั้นสูงวงเล็บแต่ชอบเพ่งโทษคนอื่นคือมันเป็นมุมตรงข้ามเลยอ่ะโดยสรุปนะเป็นมุมตรงข้ามเลยคือคุณสมบัติอย่างเช่นว่าผู้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยถ้ายิ่งบรรลุธรรมหมายถึงว่าถูกต้องเลยนะเหมือนกับอย่างพระเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เนี่ยจริงฮะในแม้ตอนแรกนี่มารมันจะมาดนใจเลยว่าอย่าไปบอกใครอย่าไปสอนใครมันยากมันลำบาก แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้บรรลุธรรมชั้นสูงแล้วเนี่ยจะต้องมาบอกจะต้องมาช่วยเหลือคนอื่นนะไม่เอาแค่ตัวเองรอดนะแล้วก็ยิ่งจะมีคุณลักษณะที่ไม่เที่ยวไปเพ่งโทษใครนะจะมีลักษณะนี้เลยนะเป็นคนแข็งแกร่งวงเล็บแต่ชอบร้องไห้เรื่อยยังไงเป็นคนแข็งแกร่งแต่ชอบร้องไห้เรื่อยอความจริงเป็นคน อ่อนแอทีไม่ใช่คนแข็งแกร่งนะแต่คิดปลอบใจตัวเองนะให้นึกแบบเพ้อฝันว่าแม่จริงๆตัวเองเป็นคนแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้พอหวนคิดถึงความจริงขึ้นมาครั้งใดก็ปวดร้าวทุกทีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของตนบางกรณีถ้าจับทิศจับทางถูกจากสิ่งที่เป็นไปได้ไอ้เป็นไปไม่ได้ ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันอ๋ออันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดสติเกิดสติรู้ตัวขึ้นมาบ้างนะรู้ว่าไอ้ที่คิดอยู่นั่นนะ่ะเพ้อฝันอยู่นั่นนะ่มันเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยรีบเออคิดอะไรที่มันให้มันเข้าท่าเข้าทางให้มันสามารถจะเอาไวพ้พฤ่ไปปฏิบัติแล้วทำให้มันพอที่จะเป็นความจริงได้ขึ้นมานะ เปล่ยนพูดง่ายว่าเปลี่ยนมุมคิดได้ทันคนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้สิ่งที่เพ้อฝันนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นความจริงไปได้ลักษณะของพวกฟุ้งแล้วยิ้มอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องแก้ขัดเท่านั้นเองเมื่อเจอกับสภาพสภาพการปัจจุบันก็ยิ่งทําให้ทุกข์มากขึ้นยิ่งดื่มดำไปกับความเพอ้อฝันมันก็ยิ่งถลำลึกในห่วงทุกข์ จนที่สุดอาจจะยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ความแท้จริงของสิ่งที่เกิดถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับมันมันรู้ความแทรับรู้ความแท้จริงของสิ่งที่เป็นอยู่ความเบิกบานเราจะได้แต่ที่ใดกันคือลักษณะอันนี้เนี่ยอัตมนึกถึงคนที่ชอบหนีปัญหานะคือคนที่กลัวความลำบากกลัวความทุกข์มากๆเนี่ย จะมีลักษณะอันเนียมมากยิ่งใครกลัวทุกข์กลัวความลาบากมากมากมากเท่าไหร่นะถ้ามากจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าโอ้โหมันไม่กล้าพบมันไม่กล้าเห็นมันไม่กล้าสัมผัสมันมันจะหนีทั้งนั้นที่บางทีเนี่ยไอ้ภายนอกเนี่ยมันหนีกันได้ทมารยจะบอกว่าภายนอกเนี่ยมันหนีกันได้อย่างเช่นเราเกลียดใครมากมากเลยนะคุณไม่อยากเห็นคุณไม่อยากเจอ จริงๆเนี่ยเราก็หนีไปที่ไหนก็ได้ที่จะไม่ต้องเจอคนคนนี้เข้าใจมแต่ความจริงเนี่ยคุณหนีพ้นัหมไม่พ้นเพราะอะไระเพราะว่ามันยังฝังอยู่กับภาพของคนคนนั้นนะ่ะอยู่ในจิตเราเข้าใจไหมเพราะาไปที่ไหนเนี่ยไอ้ภาพนี้มันยังอยู่ในจิตอยู่ในจิตอยู่ในจิตของคนนั้นนะเพราะมันจำได้เนี่ยไม่ได้ลืมเพราะ มันมีอยู่อีกวิธีก็คือพยาพยามลืมเท่านั้นเองพยายามลืมลืมยังไงอ่ะคนเราพยายามลืมเนี่ยวิธีการลืมคื อ, อยังไงไม่คิดถึงใช่ไหมไม่คิดถึงไอ้คำว่าไม่คิดถึงเนี่ยคือต้องเอาเรื่องอื่นมาคิดแทนเพราะจริงจริงคนเราไม่หยุดคิดมาพูดไปบ่อยแลว้ว่าคนเราไม่หยุดคิดเรามันคิดตลอดเวลาเพราะนั้นไอ้ที่เราบอกว่า ไม่คิดถึงหรือว่าทำเป็นลืมเนี่ยก็คือเอาเรื่องอื่นมาทดแทนเท่านั้นเองพอเวลาจิตมันจะไปคิดถึงเรื่องนั้นแต่ความเร็วของจิตเนี่ยกูเนยมันเข้ามาแล้วลหละคุณเก่งยังไงเนี่ยพอมันแป๊บเข้ามาแล้วนะภาพมันขึ้นมาแล้วในจิตพอมันขึ้นมากว่าคุณจะรู้ตัวอีกอะแล้วกว่าคุณจะไล่ออกไปอีกอะถ้าคุณไม่เก่งคุณไล่ออกไปได้ช้าแต่ถ้าคุณเก่งคุณไล่ออกไปได้เร็ว แต่ตอนนี้มันแล้วแต่ว่าคุณจะจมอยู่กับไอ้ความคิดนั้นนานแค่ไหนตามความเก่งที่คนนั้นฝึกหรือเปล่าฝึกไล่ออกไปหรือเปล่าอย่างเช่น บ, บางคนเนี่ยอกหักเงี้ยใช่ไหมบางคนอกหักโอ้โหมันคิดถึงแต่คนที่รักอะ่ะคิดถึงแต่คนที่รักอะ่ะพยายามผลักเท่าไหร่มันผลักไม่ออกเห็นไหมบางทีอะจะไปกินจะไปนั่งจะไปนอนจะไปที่ไหนมันก็ โอ้โหขึ้นมาตอลอดเวลาเลยในในในจิตเราหรือคนที่เราแค้นก็ได้คนที่เราเกลียดชังเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเลยจะไปทําอะไรน่ายคนนี้ก็ขึ้นมาเลยเหตุการณ์ต่างๆนี้ขึ้นมาในสมองตลอดเวลาเพราะถ้าคนนี้ไม่ฝึกที่จะหัดปราบไปคิดเรื่องอื่นให้ได้หัดปราบคิดเรื่องอื่นให้ได้เอาเรื่องอื่นเข้ามาแทนเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทนถ้าคุณไม่หัดฝึกเอาเอาอย่างนี้ไว้นะเอาเอาเรื هنا, ่องอื่นเข้ามาแทนให้ได้นะ คุณไม่มีวันลืมได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่จะลืมได้คือคนที่หัดเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทนเรื่องนี้ให้ได้พอมีสติรู้ตัวมเมื่อไหร่ว่าเอาจะคิดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วรีบหาเรื่องอื่นเข้ามาทดแทนทันทีเลยมาผลักไอ้เรื่องไอ้เรื่องนี้ให้มันดันเข้าไปแล้วมันไม่ลืมหรอกมันยังฝังอยู่ในใจคุณนั่นแหละไม่ได้มันไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแต่ว่าเราเอาเรื่องอื่นมาคิดแทนเรื่องนั้น ฝึกอย่างเงี้ยฝึกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าจนในที่สุดเนี่ยเราสามารถควบคุมจิตได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพอไอ้เรื่องที่มันทุกข์ไอ้เรื่องที่มันเลวร้ายพวกนี้มันจะเข้ามาปั๊บคนนี้ก็สามารถเอาเรื่องอื่นมาคิดแทนได้แต่ตอนนี้ไอ้วิธีการนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นวิธีเหมือนกับกบเกลื่อนมันยังไม่ใช่วิธีแก้อย่างถูกต้องอย่างของพุทธเรานะมันยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ แต่ว่ามันเป็นการแก้อาการให้จิตเราเนี่ยเบาลงไม่ไม่ทุกเหมือนเหมือนเดิมจิตมันจะเบาลงจิตพอเบาลงเขาเนี่ยมัน เ, เ, น เ, ร, เริ่มมีกําลังที่จะบังคับจิตได้ใช่หไหมจิตมันก็ไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นมากใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถบังคับจิตคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นจนกระทั่งเราแทบจะเริ่มควบคุมจิตเราได้ดีขึ้นไม่ต้องไปทุกไม่ต้องไปทุกไม่ต้องไปทุกจนกระทั่งเรามีกําลังจิตอย่างนี้พอ คราวนี้แหละนี้ไม่พ้นว่าเราต้องมาใช้วิปัสสนาจะต้องมาใช้การพิจารณาไต่ตรองรรมวิจัยถึงต้นเหตุแหละคราวนี้ว่าอะไรล่ะทาให้เราเป็นอย่างนั้นทุกอย่างนั้นคือต้องรู้ความจริงมองความจริงตามความเป็นจริงและเอามาพิจารณาจนแก้ที่ต้นเหตุนั้นให้ได้คุณถึงจะขุดลากถอนโคลเรื่องนั้นไปได้แล้วเรื่องนั้นมันก็ไม่มีวันลืมไปจากจิตคุณอีกแล้ว นะมันยังคงอยู่ในจิตเราแต่คราวนี้เมื่อเราสามารถที่จะพูดง่ายว่าเอามาตีแผลเอามาันมาทําความเข้าใจหมดแล้วจนกระทั่งเราไม่ทุกข์แล้วเพราะงั้นคราวนี้ไอ้เรื่องนั้นบื้หลังมันเข้ามาในจิตเราทําอะไรเราไม่ได้ต่อให้คิดอยู่ก็ทําอะไรเราไม่ได้จะเรื่องกินก็ตามนะโหเคยชอบกินอะไรอะไรแต่อร่อยเคยติดอะไรมากๆเลยหรือจะเรื่องนอนก็ตาม แต่มันมีความยากง่ายไปแล้วแต่ละเรื่องนะของใครของมันแต่ก็ยังยกตัวอย่างเห็นว่าแม้เราจะติดเรื่องอะไรมันก็ตามแต่เราฝึกปรับบรับตัดออกไปเรื่อยนะไอ้เรื่องนี้เข้ามาเราก็ตัดออกไปเรื่อยนะอย่างเช่นที่อาจารย์มายกตัวอย่างเรื่องกามเนี่ยถือว่าเอารักใครขึ้นมาเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็หงุดพยายามพลากพยายามอะไรงเงี้ยนะเอาเรื่องอื่นมาคิดแทนนะเอาเวลาไอ้เรื่องนี้จะเข้ามาเอาเรื่องอื่นมาคิดแทน จนกระทั่งเราเก่งขึ้นจนเราแทบจะควบคุมจิตเราได้คราวนี้คุณถึงเอาแหละมาพิจารณาคุณโทษของกามคราวนี้มันมันเริ่มจะทําอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะว่าพอมันจะทําอันตรายเราเราโอ้ยมันชทบจะเล่นงานเราแล้วก็ตัดมันออกไปอีกเข้าใจมไหมคุณสามารถผลักมันออกไปอีกเนี่ยเนี่ยเป็นวิธีการฝึกจิตอ่าเสร็จแล้วคราวนี้ครั้งใดที่เราเอามาันมันมาพิจารณาเนี่ยคุณจะต้องมีกําลังจิตพอก่อน คุณถึงจะเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาเข้าใจไหมถ้ากำลังจิตคุณไม่พอคุณเอายกขึ้นมาพิจารณาเป็นไปตามกิเลสอุ่นถ้าสมมติคุณสายโทสะคุณเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาคุณก็โทสะใส่ถ้าคุณเป็นกามคุณเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาคุณก็เอากามใส่คุณก็เสร็จมันก็ไปตามกิเลสเราที่มีไปตามนั้น ยิ่งพิจารณาเรื่องนั้นก็ยิ่งการเพิ่มยิ่งพิจารณาเรื่องนั้นก็ยิ่งโทสะเพิ่มเห็นไหมถ้าตอนที่จิตเรายังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกอย่างเงี้ฝึกผลักออกไปก่อนฝึกดันออกไปก่อนจนกระทั่งคุณสามารถจะแน่ใจว่าชักจะควบคุมได้แล้วมั่นใจตัวเองว่าชักจะควบคุมได้แล้วมันเหมือนกับคุณขับรถแล้วคุณแน่ใจว่าคุณควบคุมรถคันนี้ได้แน่คราวนี้แหละถึงมันจะเข้ามาแล้วคราวนี้เรื่องนั้นจะเข้ามาหรือไม่ต้องรอมันเข้ามาเลย เอาเรื่องนั้นมาคิดเลยเอาเรื่องนั้นมาคิดเลยเพราะว่าคุณแน่ใจแล้วนี่พอคิดไปคิดไปถ้ามันอ้าวจะไปกามหรือว่าชจะไปโทสัอีกแล้วนะมันจะอันตรายไจะยังไงในเมื่อพอเรารู้ตัวใช่ไหมว่าอ้าวมันชจะเละเทอะแล้วก็ตัดมันทิ้งไปอีกหยุดคิดไปไปก่อนบอกอ้าวไม่ได้ละจะอันตรายแล้วผักออกไปก่อนเดี๋ยวเอาเรื่องอื่นมาคิดแทนจนทั่งเรามีกําลังจิตดีขึ้นอีกเราก็เอา ม, มาคิดใหม่ จนกระทั่งเนี่ยแหละเราสามารถที่จะถอนลากถอนโคนมันได้หมดถ้าอย่างนี้แหละเราจะปลอดภยัยเพราะฉะนั้นน่ยสังเกตไหมไอตอนที่เราโดนกิเลสมันครอบงำอยู่เรื่องกลามก็ตามนะเรื่องโทสะก็ตามเรื่องมานะก็ตามครอบงำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเราห้ามจิตเรื่องนั้นไม่ได้มันจะเข้ามา ห, หาในจิตเราเนี่ยตลอดเวลาเห็นไหม เพราตอนนั้นนะ่ะคุณจะมีกําลังนี่คือคุณต้องสามารถผลักมันออกไปได้อย่าให้มันเข้ามาเพราะมันเข้ามาแล้วมันทุกข์มันทุกข์แล้วเราก็อ่อนแอแล้วก็ไปตามกิเลสมันเพราะอันนี้น เ, นเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะต้องรู้เข้าใจในการคิดเพราะอย่างบางคนเนี่ยจะมาเห็นแล้วก็ไม่รู้จะยังไงนะก็ได้แต่อธิบายให้ฟังเนี่ยนองนี่แหละแต่ ถ้าเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่พยายามฝึกปรับจิตเขาไม่พยายามฝืนจิตเข า, าคุณก็ปล่อยให้เรื่องทั้นเข้ามาเล่นงานอยู่เรื่อยตลอดเวลาละอัตมาก็ช่วยไม่ได้เพราะมันจิตของคุณคจะไปช่วยได้ยังไงก็ได้แต่พูดให้ฟังเท่านั้าานเพราะฉะนั้นคนนั้นนี่ต้องใช้กําลังจิตของตัวเองที่จะฝืนจะสู้จะบังคับต่อมันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เขาถึงใช้วิธีที่เรียกว่าบางทีเนี่ยเราศรัทธาอะไรที่สุดเราชอบอะไรที่สุด นะเอาสุดๆนะอันตมาใช้คำว่าสุดคุณฟังดูให้ดีที่มันจะมาดึงจิตเราเนี่ยให้ให้หลุดออกไปจากจากไ อ, อความปักมั่นในในเรื่องนั้นนะ่ะให้ได้นั่นแหละเอามาดึงมันก่อนถ้าใครทําทอย่างนี้ได้ก็ทอย่างนี้ได้กับคราวนี้จะจะเริ่มเข้าท่ากันแหละจิตเริ่มมีพลังขึ้นนี่แหละเป็นวิธีการฝึกของจิตว่าอ นี่แหละต้องใช้กำลังเจโตนะไอ้ขั้นนี้เนี่ยต้องใช้กำลังเจโตชนกับมันแหละสู้กับมันแหละเพราะคุณจะต้องมีกำลังพอสมควรถ้าคุณไม่มีกำลังพอสมควรเลยคุณสู้ไม่ได้เสร็จแล้วก็พอถึงตอนที่เราวิปัสสนาเนี่ยคราวนีนะ้ต้องใช้กำลังของปัญญาใช้กำลังของปัญญาที่จะมหาแง่มุมหาเหตุผลหา คำต่อประเลงต่างที่จะมาคว่ำเหตุผลของไอ้กิเลสเราให้ได้ซึ่งคราวนั้นน่ะถ้าคุณไม่มีกําลังปัญญาพอคุณก็คว่ำมันไม่ลงเหมือนกันถ้าตาใดคว่ำมันไม่ลงนะแต่คุณมีกําลังของเจโตคุณมีกําลังของจิตที่จะยังไงก็ตามมันดันกระแทกคุณเข้ามาไม่ได้จริงคุณฆ่ามันก็ไม่ได้แต่มันทําร้ายคุณก็ไม่ได้คุณยังเอาตัวรอดได้คุณฟังดูให้ดีนะแต่คุณเถาะ ถอนลากเง่ามันไม่ได้นะแต่ยังยังเป็นไปได้ว่าคุณยังพอคุ้มครองตัวเองได้เพราะฉะนั้นพวกฤาษีเห็นไมพวกฤาษีเนี่ยเขาใช้กำลังเจโตคมกั้นกามอ่ากั้นโทสะกั้นอะไรมาเขามีกำลังได้แต่เห็นไหมละ่ะไม่มีวันพ้นทุกข์อ่ะเพราะว่าทหมดกำลังจิตที่จะไปข่มไปกั้นไว้เมื่อไหร่มันโผขึ้นมาอีกโผขึ้นมาอี ก, อกเพราะว่าไม่ขุดลากถอนโคน ก็ใช่วันวันไหนจิตคุณตกเมื่อไหร่คุณอาจจะไปตกเพราะเรื่องอื่นนะแต่จิตคุณตกมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนะ่ไอ้ที่คุณสุมๆเอาไว้มันมันกบกบเอาไว้อยู่ในในจิตจิตคุณเนี่ยนะมันก็ขึ้นมาเป็นโอ้โหต่อโผมาเยอะแยะเลยคนนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไปกบกบไว้ซึ่งคุณไม่ได้ขุดลากถอนโคลนถติว่าเาวันนี้นะคุณไปเจอเรื่องอะไรแล้วฝังใจไว้ใช่ไโกรธไอ้คนนี้โกรธ นะพะเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณจำไว้ละอาตมาบอกแล้วว่ามันไม่ลืมนะเพียงแต่ว่าสัญญาคุณเนี่ยมันจะโดนขุดขึ้นมาวันไหนเท่านั้นเองอ่ามันเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเอาเข้าไปเก็บไว้หมดแหละข้อมูลเพราะวัวนไหนจิตคุณตกปั๊บแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยวันนั้นเราะโอ้โหยิ่งถ้าใครเนี่ยไปสั่งสมมาเยอะหลายๆเรื่องนะบางทีผูกพยาบาทคนมั่งนาเกียรคนด้นมั่ง แล้วนะไม่ชอบใจเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างหลายๆอย่างสะสมสะส ม, สสมไม่รู้จักคลายออกไปไม่รู้จักปล่อยวางบ้างไม่รู้จักสลายมันไปบ้างแม้จะใช้อย่างเจโตก็ตามใช้แบบสมถะก็ตามใช่ไหมสมถานี่กรบไม่ได้ถอนนะแต่อย่างน้อยๆมันก็พอควบคุมตัวเองได้เพราะทำไมถึงบอกว่าการฝึกเจโตสมถะถึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูลคือเกื้อกูลคุณตรงนี้แหละ ตรงที่ทำให้คุณมีกำลังของจิตที่คุณสามารถที่จะข่มสู้กับกิเลสได้แต่ไม่สามารถสลายมันนะแต่สามารถจะชนกับมันได้โดยที่ทำให้คุณพอที่จะอะไรอ่ะอึดอึดไปได้เท่าที่คุณจะอึดได้นะคุณจะอึดไปได้ช่วงนั้นน่ะมันเหมือนกับกินยาแก้ปวดอ่ะเยโตเนี่ยเหมือนกับกินยาแก้ปวด ก, กินยาแก้ปวดเข้าไปมันก็อึดได้เท่าที่ฤทธิยามี อ่าเพราะว่าใครมีลิเจโตมากคนนั้นก็อึดทนไปได้มากใครมีลิเจโตอ่อนอึดไปได้แค่หนึ่งวินาทีสมมติน <c oughs> นะ เ, เสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นอีกแล้วนั่นแหละเพราะอันนี้ถ้าใครเข้าใจแล้วก็จะต้องฝึกฝนตัวเองถ้ามีแต่ปัญญาความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะ เจตัวกับปัญญาเนี่ยพูดไปบ่อยแล้วพ่ทะท่านกเทศบ่อยๆว่าจริงๆมันต้องในคนเนี่ยมันต้องมีทั้ง2 อ, อย่างนี้อยู่ในตัวคนนั้นนะ่ะมีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีกําลังเลยทําอะไรไม่ได้หรอกหรือว่ามีแต่เจตัวอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีปัญญามาด้วยเลยทําอะไรไม่ได้เหมือนกั น, ม, นมันเหมือนกับเอาสมมุติที่อาตมาบอกกุนกบกบกบกบกบกบไว้ได้นะเพียงแต่ว่ากบกบนี่คือมองไม่เห็นต่อใช่ไหม แต่จริงๆโหตอเต็ตไมไปหมดเลยคุณย่ำเข้าไปได้ที่ไหนเราย่ำเข้าไปก็ตำตายหมดแหะเจโ ต, ท, ท, โตทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าใจไอ้นั้นมันเป็นเพียงแค่อิริยาบถจะนั่งจะยืนจะนอนจะตะแคง <c oughs> จะทำงานอยู่ อันนั้นเป็นแค่อิริยาโบถแต่ต้องเข้าใจประเด็นสำคัญของเจโตคือการฝึกบังคับจิตจุดประเด็นสำคัญของเจโตสมถะคือฝึกบังคับจิตให้ได้บังคับจิตแบบไหนบังคับจิตให้อยู่ในควบคุมของเราให้ได้อย่างเช่นปกติคนเราเนี่ยมันจะคิดเรื่องต่างๆใช่ไหมฝึกบังคับมันอย่าให้ไปพุ่งสร้างเรื่องต่างๆเฮะ อ่นะเข้าใจไหมเพราะเนี่ยไอ้ไอที่เรามาใช้อริยาบทต่างๆเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยให้ใช้นั่งบางคนเนี่ยให้ใช้เดินหรือบางคนเขาจะยืนเจโตสมาธไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็ยืนได้อย่านึกว่าต้องต้องนั่งอย่างเดียวนะเดินก็ยังทําเจโตสมาธได้ยืนก็ทําเจโตสมาธได้หรือแม้แต่จะนอนทำก็ยังได้ถ้าจอากันจริงๆเน่ยทำได้ทั้งนั้นแหละอริยาบทไหนก็ทําได้ แต่บอกแล้วไงเป้าของมันความสำคัญเนี่ยอยู่ที่ฝึกควบคุมจิตให้ได้โดยเฉพาะหนึ่งคือพวกฟุ้งซ่านต้องฝึกบังคับจิตเนี่ยนะโดยที่เขาเอากสินมาให้ใช้เนี่ยเพื่อที่จะฝึกนะอย่าฟุ้งไปเรื่องอื่นอย่าฟุ้งไปเรื่องอื่นพอจะคิดเรื่องอื่นปั๊บเขาบอกว่าให้ดึงมาเรื่องนี้ให้ดึงมาเรื่องกสินของเราคิดเหมือนกันเห็นไหมล่ะนี่ก็เป็นวิธีการให้เปลี่ยนเรื่องคิดเ่ยแต่ว่าแทนที่จะไปคิดไอ้เรื่องที่มัน ฟุ้งซ่านต่างๆนี่ให้ให้จิตมามาอยู่กับเอกสินที่เราใช้สมมติเราใช้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเอาลมหายใจเข้าไปเนี่ยไปถึงหัวแล้วลงไปที่ท้องแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เรามาคิดในในเรื่องนี้แทนแทนที่จะไปคิดเรื่องโน้นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นงานฝึกฝึกควบคุมจิตฝึกควบคุมจิตไม่ให้มันเป็นไปตามกิเลสแต่ให้มันเป็นไปตามการที่เราเนี่ยสามารถควบคุมได้เพราะนั้นพวกนึงเนี่ย ก็คือพวกฟงซานแต่อีกพวกหนึ่งคือพวกที่มันจะหลีหลับนะพวกที่จะหลีหลับเนี่ยเขาถึงต้องมาให้ใช้อิริยาบทที่เคลื่อนไหวมากๆหน่อยมันกูจะวิ่งเจโตมายังไม่ว่าเลยถ้าคุณอยากจะวิ่งอะนะไอ้ประเภทง่วงมากๆเนี่ยใช่ไหมล่ะโอ้โหไปให้นั่งได้งไงล่ะไปให้นอนทำได้ยังไงเพราะฉะนั <c oughs> ้นต้องให้มันเคลื่อนไหวต้องให้มันเดิน ถ้าคุณเดินเจโตแล้วคุณยังจะหลับอ่ะมาบอกคุณวิ่งอ่ะคุณวิ่งเจโตได้เลยให้คุณวิ่งเลยเพราะวันขนาดเดินมันยังจะหลับคุณต้องวิ่งแล้วเพราะอะไรทำไมตอนนั้นต้องให้วิ่งแล้วเพราะโอ้โหแสดงว่าจิตเรามันแรงมากเลยใช่ไหมโอโหที่มันจะรีจะรีจะลงให้ได้เพราะนั้นคุณก็ต้องมีอำนาจที่มันแรงพอที่จะมาดึงให้มันขึ้นใช่ไหมจิตมันจะลงจลงจหลับจะหลับจะหลับ โอ้โหคุณต้องหาอะไรที่แรงพอที่มาดึงให้มันขึ้นให้ได้กาลังมันต้องสู้กันได้อันนั้นมันละเมอ <c oughs> มันตกควงังพวกละเมอพวกอะไรพวกนี้ตกควงังอ่าอาตมาพูดอะไรเนี่ยมันไปถึงนี่ได้ยังไงต้นเหตุใครจาได้มัง้งเออเรื่องเปลี่ยนความคิดะนะเนี่ย พูดแนวให้พวกเราฟังถ้าเข้าใจเราถึงจะรู้ว่ามันฝึกเจโตสมถะจะมีประโยชน์อะไรแล้วที่เราฝึกวิปัสสนาหรือทำรร ม, มาวิจัยเนี่ยมีประโยชน์ตรงไหนเราถึงจะชัดเจนไม่อย่างงั้นถือศีลปฏิบัติธรรมไปบางทีไม่รู้เรื่องไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรถ้าคนเราเนี่ยไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่เราจะทําแล้วมันไม่มีชันท่าเท่าไหร่หรอกเพราะมันไม่รู้จะทาไปทําไม เออมันก็สักแต่ว่าทําไปฟุกก็ได้บ้างไม่ไม่ฟุกก็ไม่ได้อะไรเงี้มันมันไม่ไหวหรอกถ้าอย่างนั้นเพราะมันต้องชัดเจนในสิ่งที่เราจะกระทาชัดแล้วพเพราะแยิ่งเท้อเราชัดแล้วนะแล้วเราทำไปแล้วแล้วมันเริ่มได้ผลด้วยคราวนี้แหละคุณจะประจักษ์เลยคุณจะโอ้โหยิ่งเฮ้ยได้จริงๆริฮได้จริงๆริฮคราวนี้คุณจะยิ่งมีฉันทะมากขึ้นไปใหญ่เลยจะยิ่งรู้สึกจริงๆว่า อคุณวิเศษของพุทธเป็นอย่างนี้นี่เหลอมันจะยิ่งทําให้เราเชื่อมั่นทําให้เรายิ่งศรัทธาทําให้เราเนี่ยยิ่งอยากจะเพิ่มอธิไม่ว่าจะอธิศีลอธิปัญญานะหรือว่าอธิ จ, จิตยังไงเนี่ยเราจะยิ่งอยากทําเพิ่มมากขึ้นแม้ว่ายิ่งทําจะยิ่งยากขึ้นก็ตามแต่เราก็จะยิ่งอยากจะทําเพราะเราเห็นผลแล้วคําว่าเราเห็นผลแล้วคือเราได้มรรคผล กับตัวเราจริงๆนั่นเองอ่ะวันนี่คงฝากไว้ท่นี้นะ